ถ้ามีแผนที่เราก็จะรู้ว่าไปที่ที่ควรจะไปหรือไม่ถ้าไปในทางที่ไม่ควรไปเราก็เปลี่ยนทางได้ห น, นังสือซีดีต้องการก็หยิบได้กำลังพูดว่าหนังสือนี่เป็นเหมือนแผนที่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 เราก็เลยไปไม่ถึงที่ที่เราต้องไปแลวเราไม่รู้ด้วยว่าเราเไปไหนกัน เ, เราก็คิดว่าเราเกิดแล้วเราก็ตายเราก็เห็นรู้แค่นี้รู้ว่าเกิด้วแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก่เดี๋ยวเราต้องเจ็บแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายแต่พอตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรา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 อยากได้อะไรก็ไปหามาอยากไปไหนก็ไปอยากจะดูก็ไปดูอยากจะฟังก็ไปฟังอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานคือทุวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรแล้ว เ, เราทำตามความอยากของเราเพราะเวลาทำตามความอยากของเราเรารู้สึกว่ามีความสุขเอาเองทำตามความอยากกัน เราอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยทำตามความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำมันก็ไม่สบายใจถ้าได้ทำมันก็สบายใจแล้วก็มีเท่านี้ชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วนะเราก็อยากดูอยากฟังอยากดืมอยากลิอยากดมกลิ่นลิเมรส อยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายแล้วก็ทำไปตามความอยากอยากได้อะไรก็หามาเราะคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขอยากได้เงินทองก็ไปหากันมาเราีเงินทองแล้วก็สามารถซื้ออะไรต่างๆได้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 เสียข้าวของเงินทองไปก็เสียใจแล้วเราก็ไปหามาใหม่มาทดแทนเพราะเรายังอยากได้สิ่งเหล่านี้อยู่อยากมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะการมีสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีความสุขกันแต่ต่อให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันอีก เขาไม่จากเราเราก็จากเขาร mm hmm. ่างกายของเราในที่สุดก็ต้องตายไปพอ mm hmm. ร่างกายตายไปเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ตอนจากกันก็เลยเป็นเวลาที่เศร้าสูกเสียใจกันร้องหง่มร้องไห้กันนี่คือ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 แล้วมันดีคกนดีเราก็โผล่ขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่รู้เส็จตัวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำตามความอยากต่อไปแล้วก็มาดีใจมาเสียใจมาสุขใจตอนต้นแล้วก็มาเสียใจตอนปลายชีวิตของพวกเรานี่ย ตอนทุกปลายกันตอนตอนเกิดตอนที่กําลังจเจริญเติบโตตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกําลังวังชามีความสามารถที่จะทำอะไรตามความอยากต่างๆได้เราก็มีความสุขกันแต่บางทีก็ต้องเจอความทุกข์ว่าบางทีไม่สามารถทําสิ่งที่เราอยากได้ เรือได้สิ่งที่เร า, าได้มาแล้วสูญเสียสิ่งที่เราได้ไปชีวิตของเราก็เลยเป็นความเป็นชีวิตที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์คุกเข้ากันไปมไม่รู้ว่าวันไหนจะเจอความทุกข์กันเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะที่จะมาทำให้เราทุกข์ได้ อาจจะทุกข์กับผลฟ้าอากาศอาจจะทุกกับการงานหน้าที่การงานทำแล้วอาจจะตกงานเขาให้เราออกจากงานหรือเขาโยกย้ายเร า, าให้ไปทำในที่ที่เราไม่อยากไปชีวิตของเราก็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 ก็ไง เ, เปล่าไงมันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะการกระทําของเรามันนําไปสู่ความทุกข์กันแล้วไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงอพอมันไม่เที่ยงเราก็ทุกข์กันคําว่าไม่เที่ยงก็คือมันหมดมันไม่ถ้าววอนมันเป็นของชั่วคราวเราจึงต้องหาอยู่เรื่อยอะ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 หรือทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วพอถูกตำรวจจับก็ทุกข์อีกลนะนี่ต้องไปอยู่ในคุกในตารางรอขึ้นศาล ร, รอให้เขาตัดสินแล้วถ้าเขาตัดสินให้จำคุกนีก็ยิ่งทุกข์อีกเนี่ยก็ตามจับอีกเ <Yeah. S 1> พราะไม่ยอมติดคุกกัน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 อ๋อสูญเสียสิ่งที่รักไปอสูญเสียเงินทองไปไม่มีปัญญาที่จะหาเงินทองไม่สามารถอยู่แบบที่เคยอยู่ได้อก็ไม่อยู่ดีกว่าข้าตัวตายดีกว่านี่คือเส้นทางของกำเนินชีวิตของพวกเราเรากําลังเดินไปสู่ความทุกข์กันน พอเราไปหาสิ่งที่มันเป็นทุกข์กันพอมันไม่เที่ยงเราคิดว่ามันสุขเราคิดว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรดต่างๆเป็นความสุขกันหาเงินหาทองกันเพื่อเราจะได้มีความสุขกันหาตำแหน่งหารางวีรางวัลให้ให้คนเข้ายกย่องสรรเสริญ เยียอยาหาควาสัละเสริเยียวยาหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายแต่ไม่รู้ว่ามันมีวันที่จะจากเราไปได้ถ้าเราจากมันไม่เป็นไรเช่นเวลาเราตายไปอย่างน้อยมันก็กค่ทุกข์หนเดียวทุกตอนตายแต่ถ้ามันจากไปก่อนเราตายนี่มันก็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 อยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากจะไปทําอะไรก็ได้ไปทําำแต่มันก็จะต้องใช้เงินทองที่เราไม่ไม่สามารถที่จะหามาใช้ได้ในที่สุดถ้าเราหักห้ามใจไม่ได้เราก็จะไปทําผิดกฎหมายแล้วถ้าถูกจับก็ต้องไปรับรับผลอืม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 หรือเรารายได้ตกไม่มีรายได้มาหางานงานต้องออกจากงานหรือไม่สบายไปทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้เราก็อย่างน้อยมีเงินทองสารองไว้จะได้มีเงินซื้อข้าวซื้ออะไรที่จำเป็นฉะนนควรจะหาข้ามจิตใจอย่าไปใช้เงินตามความอยากกัน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 เสื้อผ้าที่ซื้อมาแล้วนี่เวลาเราขาดเงินขาดทองเอาไปขายไม่ได้กี่ตังค์นะแต่ถ้าเงินที่เราจะไปซื้อเสื้อผ้านี่เก็บไว้เราจะเก็บเงินได้เยอะแยะอในเวลาเราเดือดร้อนเราก็จะได้มีเงินทองใช้ยามเดือดร้อนไม่ต้องไปทําผิดกฎหมายไม่ต้องไปทําบา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 อ่อนลอ่อนกำลังลงความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอ่อนกำลังลงไปเราจะทําให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านก็จะไม่รู้สึกปดเจ็บลาคาญใจไม่รู้สึกว่าเวไม่รู้สึกเศร้าส้อยง่อยเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดจากความอยากไปเที่ยวอยากจะออกนอกบ้านกันพอไม่ได้ออกนอกบ้านมันก็เลยรู้สึกปวดเจ็บลาคาญใจกัน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 ถ้รารับประทานสามจานยิ่งอิ่มใหญ่การทำบุญก็เหมือนกันทำน้อยก็มีความอิ่มใจน้อยมีความสุขใจน้อยทำมากก็จะมีความสุขใจมากให้นเาเงินที่เราจะไปใช้เที่ยวเอาเงินที่ไปซื้อของไม่จำเป็นเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขทางต า, งางหูจมกูกลิ้นกายนี้อามาทำบุญดีกว่า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 ของไม่จาเป็นเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเน้องายกันใจก็ยังหิวเหมือนเดิมเพราะไม่ได้ให้ไม่ได้รับอาหารอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานถ้าเอาเงินไปทำบุญทำทานแล้วใจจะรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายรู้สึกพอจะไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่หิวโหวยกับของพุ่มเฟยต่างๆ อันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมากเกินไปเพราะว่าเวลาเราไม่มีเงินที่จะทำบุญเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราได้ทาพอแล้วทำตามกำลังของเราทำเท่าที่เราพอจะทำได้พอไม่มีทำเราก็อยู่เฉยๆได้เงินที่เราต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้เรามีเงินสารอง ไปเวลาที่เราขาดแคลนเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือแผนที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามักน้อยหรือสันโดษอันนี้เป็นธรรมที่จะทําให้เราอปราบความอยากความโลภต่างๆได้ความโลภ ก, ก็คือความมากมากความมักน้อยก็จะเป็นคู่ต่อสู้กัน ถ้าเรามากน้อยเราก็จะไม่มากมากเราไม่มากมากเราก็จะไม่โลภแล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขมีความโลภเวลาเรามีโลภมีความโลภแล้วใจเราอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทําตามความโลภถึงจะมีความสุขแต่เวลาที่เราไม่โลภเราอยู่เฉยๆได้อย่างตอนนี้เราไม่โลภอ่ะเรานั่งเฉยๆฟังเทศน์ฟังธรรมได้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 มีเท่าที่จําเป็นคาว่ามากน้อยก็คือให้มีสิ่งที่จําเป็นถ้าสิ่งไหนไม่จําเป็นไม่มีขาดมันแล้วไม่ตายก็อย่าไปมีมันนะเก็บเงินไว้ดีกว่าเงินนี้มีเงินไว้ดีกว่าไม่มีเงินนี้จําเป็นเวลาเดิดร้อนอะไรขาดแคลนอะไรก็มีเงินใช้ได้ทาไมเอาเงินไปทิ้งกันหมดเอาเงินไปแลกของที่เราพึ่งไม่ได้ เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าเอาเงินไปซื้อของอะไรต่างๆพอเวลาเรงินเดือดร้อนเราอะเอาของพวกนี้ไปขายได้หรือเปล่ะทําไมเอาของดีๆไปแลกกับของไม่ดีทําไมเงินทองนี่เป็นของดีจะตายไปทําไม่ทําไมไม่เก็บกันทําไมเอาไปใช้กันทําไมเงินทองนี่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเราในายามยากไม่ได้มีไว้สําหรับให้เราไปถลุงใช้ซื้อของฟุ่งเฟยต่างๆ ออกไปซื้อของที่ไม่ที่เราพึ่งไม่ได้ในวันหลังวันในวันหน้าซื้อข้าวของมาต่างๆแล้วเกิดเวลาต้องใช้เงินทำไงของเหล่านี้ขายก็ไม่มีใครซื้อขายก็ต้องขายแบบของทิ้งแล้วขายก็ได้ไม่กี่ตังเวลาซื้อมานี่ซื้อมาหลายร้อยเวลาขายไปได้ไม่กี่สิบบาทเราโง่หรือเราฉลาดกัน ซื้อมาแล้วก็ามาวางไว้เกะ ก, กะในบ้านใช่ไหเสื้อผ้านี่เต็มตู้ไปหมดเนะยบางทีใส่ไม่กี่ครั้งก็ไม่ได้ใสนะ่แล้วเก็บเป็นเงินทองไว้ไม่ดีกว่าเลยอบอุ่นใจกว่าเพราะเงินทองนี่สามารถที่จะเอาไปใช้อะไรได้ในอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้นะดังนให้ใช้ความมักน้อยใช้เหตุผล ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันจำเป็นไหมถ้าไม่มีมันแล้วเราจะตายไหมหรือเราจะลำบากไหมถ้ามันจำเป็นก็ซื้อมาถ้ามันไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อมาเงินดีกว่ามีเงินไว้ดีกว่ามีข้าวของไปเที่ยวนี่จำเป็นไหมไปเที่ยวนี่เงินหมดไปกี่ตังค์่อยู่ดีๆก็เหมือนถูกปล้นเน่ไปเที่ยวกลับมาเงินหมดไปเป็นพันเป็นหมื่นแล้ว ถ้าไม่ไปเที่ยวก็ยังเก็บเงินเงินพันเงินหมื่นนี่ไว้ได้ตากธนาคารไว้ยังมีดอกด้วยใบ ด, ดอกเพิ่มขึ้นมาอีกหรือถ้าฉลาดก็อาไปลงทุนไปทำธุรกิจไปทำมาค้าขายเงินทองที่มีก็กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปพวกเรานี่โง่โง่โโง่โ ง, ง, ง, ง, ง่ตรงที่ฉลาด เง่อตรงที่รู้จักใช้เงินแต่ไม่รู้จักหาเงินกันคนฉลาดนี่เขารู้จักหาเงินแต่เขาไม่รู้จักใช้เงินเขาถึงรวยกันคนรวยนี่เขางงแล้วง่ตรงที่เขาไม่รู้จักใช้เงินรู้แต่รู้แต่เก็บรู้แต่หาเท่านั้นก็ถึงรวยกันคนจนนี่ฉลาดใช้เงินแต่โง่หาเงินหาเงินไม่เป็น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 คือความมากน้อยหรือความสันโดษความสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเรามีอะไรก็ให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีตอนนี้เรามีแค่นี้ก็อยู่ได้ไม่ใช่หรือตอนนี้ก็อยู่ได้กันไม่ใช่ทำไมต้องอยากมีอะไรเพิ่มเติมทำไมอยากแล้วมันเหนื่อยไหมอยากแล้วมันก็ต้องไปดิน้นลนนไปหามาหามาแล้วเดี๋ยวก็ใช้หมดหมดแล้วก็หามาใหม่ เนื่ยกับการหาเวลาทํางานนี่สนุกไหมวันจันท์นี้ไม่อยากมีใครอยากจะตื่นเลยพ อ, ถ, พอถึงวันจันทร์ที่ไหรว่าไม่อยากไม่อยากจะตื่นเลยแต่พอถึงวันศุกร์เมื่อไหร่โอ้โหดีใจกนะันเลยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่ต้องทํางานแนะ้วจะได้เที่ยวจะได้เล่นกัน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 ไปเดินออกกำลังกายในในสวนได้ประโยชน์ได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งได้ทั้งประหยัดเก็บเงินเก็บทองไว้อย่าไปเที่ยวแบบที่จะต้องเสียเงินถ้าจะดูก็ดูของที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อทีวี TV ที่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายรายเดือนจ่ายค่าอะไรตา่างๆดูของฟรีไปอันนี้ก็จะทาให้เรา มีเงินทองเหลือช้เหลือกินไม่เดือดร้อนระวังเรื่องการทำตามความอยากนี่มันจะพาให้เราไปสู่ความหายนะนะถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าที่เรามีอยู่นี่เราสามารถมีได้ด้วยการนั่งเฉย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 ดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆขยับเข้ามาข้างในได้นะผมตกผู้ชายขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้นะตอนนั้นขยับเข้ามาเปิด้างเข้ามานะขยับเข้ามาเยอะได้เยอะเนี้ยเข้าม า, าหยุดได้ ถ้าเรามีมากน้อยสัาโดดแล้วชีวิตเราจะร่มเย็นเป็นสุขเงินทองจะเหลือใช้แล้วขยันหมั่นเพียรเอาเงินนี้ไปไปต่อยอดเอาเงินนี้ไปลงทุนไปเปิดร้านขายของไปขายไปขายข้าวของซื้อของมาขายก็จะมีรายได้เพิ่ม หรือแม่งก็ไปซื้อหุ้นก็ได้ไปลงทุนกับบริษัทการบินไทยหรือบริษัทอะไรที่เขามีกําไรเออเราก็ไปซื้อหุ้นเก็บไว้ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงก็เอาไปฝากกินดอกอถ้าดอกไม่พอถ้าเรามีเวลาว่างหาลําไพ้พิเศษไปทํางานขายประกันนรอไปซื้อของอะไรมาขาย ดีกว่าเอาเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวก็มีแต่เสียงเงินเสียทองแล้วถ้าอยากจะมีความสุขก็นั่งสมาธิกันดีกว่าหัด น, นั่งสมาธิหัดไหว้พระสวดมนต์กันหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเสียเงิน รับร อ, องได้ว่าความทุกข์จะน้อยปัญหาจะน้อย้านั่งสมาธิได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิไม่ต้องมีแฟนก็ได้ความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่าการมีแฟนมีแฟนแ่ะเดี๋ยวมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกต้องล่นลนอนหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกเหนื่อยยากสุงแล้วต้องมาห่วงมากังวลกับลูก เราก็มาเสียใจเวลาลูกไม่ดีเวลาลูกเนอ่มเวลาลูกไม่เชื่อฟังเวลาลูกไม่เคารพเวลาลูกเก้าแล้วเพราะเราต้องมีแฟนพอมีแฟนมันก็เลยมีลูกกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ทาใจให้สงบในความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องมีแฟนเราก็ไม่ต้องไป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 อยาา ม, มากน้อยเอาเน้นน้อยเอาเท่าที่จําเป็นหรือหรือถ้าไม่ได้แต่สิ่งที่จําเป็นก็ยินดีตามมีตามเกิดยังอดอยากอดบ้างกินบ้างอาจจะไม่ไปดิ้นรนไปกับการที่จะไปทําตามความอยากต่างๆไม่มีเงินใช้ก็อย่าไปใช้มันอย่าไปสร้างนี่อย่าไปหาเงินมาแบบที่ผิดกฎหมาย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 เก็บไว้ถ้าหน้ากลับมาจะได้ถ้าพระพุทธเจ้าสอนเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เลยเป็นของโกหกเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วกลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญแล้วถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไปท่องเที่ยวในสวรรค์กันแล้วพอแล้วกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่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 ถึงแม้จะมาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตมันก็ยังต้องแก่เจ็บตายยแต่ถ้าไม่มาเกิดก็จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพัดผาาจากกันงั้เดินตามแผนที่ที่พุทเจ้าวางไว้็ดีกว่านะขั้นต้นก็หัดมักน้อยสันโดดนะแล้วก็มีความขยันในหน้าที่การงานหาเงินหาทอง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 อันนี้คือแผนที่หนังสือธรรมะที่เราอ่านก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้วิธีต่างๆหนังสือตอนนี้ก็มีของหลวงตาอยู่สองเล่มหนังสือของหลวงตานี้หาอ่านยากเนื่องในนี้ท่านจากเอาไปแล้วยังมีญาติโยมที่มีความเคารพมีความศรัทธาในหลวงตาคือหนังสือธรรมะของท่านมาให้แจกหนังสือแว่นดงใจกับหนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนอ่าน้าจะรู้จักวิธีเอ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 ยะถาวาริวหาปุราปาริกปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอ oh ุปกปติอ an ิจ e ิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุส so ังกปาจันโทปนะระโสยะถามานิโชติ พระโยทถาสัพพิตโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอะพิวัฒนสีลิตสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวะทานติอายุมโนสุขาง พาหนงสาลขึ้นมาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็เชิญได้นะใครต้องการหยิดหนังสือซีดีก็เชิญหยิบเอา ซื้อซีดีก็หยิบได้นะ<ว>อนเนกเปิดเอา อ, ออกมาไหนให้เขาหยิบมไป้งีมีใครอยากจะถามอะไรไหม ๋ตัมเนี่ยเดี๋ย ว, ย ว, ยวออกไปไมั้งเถอะมีคนเขาอ่านหนังสือท่านอาจารย์แล้วเขาฝากมาถวายด้วยครับอ่าสาเถอ พี S 1> <S 1> ่ห้าือจะแม่ไได้ม่ได้อะไเสียแล้วเสียเอเียที่แต่วันที่ห้าตุลาคมจะ วันวันสัปดาหจะแปดวันนะคะแล้วก็ทบุญครอบเจ็วันก็ปิดเอาไว้แล้วก็รายก็สังเกตารอยู่ในทาบุญห้าสิบวันด้วยตื่นจากภารกิจก็เป็นไปตามเวลาของมันท่านก็ไปยังสมบออิค่ะก็อืมขอทิ้งกันเดี๋ยวเราก็ไปกันเดี๋ยวเราตัางวันไปจะค่ะร่างกายมันเป็นไม่ใช่ของเราต้องคืนเข้าไป เราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปกลัวเราไม่ได้ตายเหมืกับร่างกายเราเป็นคนขับร่างกายนี่เหมือนคนขับรถร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์นะมันพังมันเสียไปก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่เดี๋ยวกลับมาได้รถคันดีกว่าคันเก่าทำบุญไว้เยอะๆเดี๋ยวกลับมาจะได้รถดีกว่าเก่านะเราก็ทำหน้าที่ได้อย่างครบเจ้าดีแล้วล่ะ ออทำมุู่ที่ทยกันไปทํานไ ป, นไปนยินหนังสือซีดีได้น ะ, ะอ่กมัเมื่อกี้อยากจะถามอะไรถามว่าตอที่ลูกน่าจะวางี่นี่ะะลูกจะได้ยิเสียงดิ้นร้องแล้วก็ได้ยิน แล้วถาเวานั่งนั่งคุยกับคนณปกติอาการตอนปกติธรรมดาเวลาของธรรมดาจะเห็นเงาเป็นสีขาวแล้วเดินผ่านทางผ่านไปทํานมาหรือไมก็กนั่งเฉยก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรก็เห็นเราเห็นอะไรมันก็เห็นี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือลูกเกิดความกลัวค่ะลูกไม่ได้ไม่สมาธิไปกลวเงาทําไมมันก็เป็นเหมเงาอ่ามันก็ไม่ได้ทําอะไรเราเพย่ออยากเราไปกลัวมันทําไม ก็มันอยู่ในใจเราอยู่กับเราเราไปกลัวมันเลยคือวันอย่างี้ค่ะเรากคือนั่งคุยแต่นี้แล้วมองเห็นเห็นอ่านี้ค่ะก็เห็นเนาะก็ก็ก็เป็นเงาที่เราทํามันขึ้นมาเองใจเราสร้างมันขึ้นมามันเป็นกระแสจิตอ่าใจเรามันสะสมอะไรไว้มากมายมันดีคืนดีมันก็ปล่อยออกมาให้เราดูรู้ก็เลยไม่นั่งก็เลยใช้วิธีการก็คือทําทํา ท ำ, ทำงานหร uh ือว <ment> <yes and S 3> no ่าเวลานอนจะบริกรรมพุทโธอยู่ตลอดเวละเวลานั่งก็ต้องบริกรรมพุทโธอย่านั่งเฉยๆค่ะถ้านั่งเฉยๆมันก็จะโผล่มาขึ้นมาของพวกนี้ถ้านั่งบริกรรมพุทโธไปมันจะไม่โผล่ถ้าจะนั่งสมาธิต้องบริกรรมพุทโธไปนั่งเฉยๆไม่ได้ถ้าเฉยๆปั๊บเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาเราก็เลยสงสัยอะค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะนั่งต่อแต่ใช้วิธีการนอนหรือก็นั่งไม่นั่งไม่ถูกเลยนั่งไม่ถูกมันก็เจอของพวกนี้ ถ้านั่งถูกมันจะไม่เจอถ้านั่งแล้วบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปมันจะควบคุมจิตไม่ให้ปล่อยตัวไล่อยอะไรต่างๆออกมาหลอกเราพอเราหยุดพุดโทโธปั๊บนั่งเฉยๆปั๊บเดี๋ยวมันโผล่มาละพวกที่นั่งแล้วเห็นหนูน่นเห็นนี่ก็พวกพวกนั่งแบบไม่มีพุโทโธกันมันต้องมีพุโทโธแล้วน่เพือดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะไม่มีเวลาให้จิตมันปล่อยของพวกนี้ออกมาหลอกเราเข้าใจไหม ถ้ามันออกมาก็ทําใช้ปัญญาบอกมันไม่เที่ยงมันเป็นเงามันทําอะไรเราไม่ได้เราอยากจะให้มันหายไปเราก็พุโทโธพุโทโธไปเนี่ยมันก็หายไปออืย่าไปตามรู้ยิ่งไปตามรู้มันยิ่งปล่อยออกมาเยอะใหญ่เราไปปรุงแต่งขึ้นมาเี่ยเป็นนู่นเป็นนี่อะไรขึ้นมาออยิ่งยิ่งไปกันใหญ่ไม่ต้องกลัวแล้วก็เป็นหนังผีให้เราดูนี่ ใจเรามันชอบปล่อยผีให้เราดูหลอกตัวเราเองอผีจริงไม่มีมีแต่ผีปลอมผีจริงไม่หลอกผีปลอมลมาหลอกผีจริงก็คือคนตายที่ตายไปแล้วดวงวิญญาณเขาไปเกิดที่นู่นที่นี่แล้วอันนี้ผีจริงเขาไม่มีเวลามาหลอกเราห่ะหลอกก็ไม่ได้เงินทองมาหลอกเราทำไมเอ่ไอ้ผีหลอกมันก็ใจของเรานี่แหละปลิตขึ้นมาเองปล่อยออกมาเองตกที่ก็ตกใจเหมือนกันอยู่มันเกิด อ, อะไรขึ้นเนี่ยอะ สติตามให้ทานนะคะใช่แล้วเราไเราไม่มีสติแลปล่อยเราต้องเวลานั่งสมาธิต้องควบคุมใจไว้เอต้องมีพุโทโธพุโทโธไปอย่าขี้เกียจอย่าหยุดพุทโธพุทโธพุทโธถ้าหยุดพุดโทโธก็หยุดเริ่มนั่งดีกว่าอย่าไปนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาหลอกเราไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นเงา เราก็เกิดจิตนะมันมันมันมันปรุงแต่งของมันออกมาถ้าเรารู้ทันมันก็เฉยเฉยไปก็ได้รู้แล้วเฉยเฉยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงแต่ถ้าจิตเรายังไม่เข้มแข็งเราก็ยังทาไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆถ้าจิตดนแล้วมันจะมีกำลังที่จะหยุดความรักชังกลัวหลงได้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 แต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี่ใจมันจะอ่อนแอเมื่อมีอะไรโผล่ขึ้นมาหน่อยมันไปแล้วดีใจบ้างเสียใจบ้างรักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างงั้นก่อนที่จะก่อนที่จะทำใจให้มันแข็งแกร่งได้นี่เราต้องมีสติคอยควบคุมต้องมีพุทโธถึงบอกให้หัดท่องพุทโธกันไว้เพราะการท่องพุทโธนี้เป็นการฝึก เป็นการสร้างสติขึ้นมาพอเวลาใจมันพยศเราก็ใช้พุโทโธนี่เลยตบพยศได้แล้วจิตใจมันกลัวใจมันโกรธใจมันเกลียดใจมันอยากใจมันเสียใจหรืออะไรต่างๆร้อยแปดใช้พุโทโธดับมันได้แต่ถ้าเราไม่เราไม่มีพุโทโธใช้พุโทโธไม่เป็นเวลาเกิดมันก็พุโทโธก็ไม่ออกมากัน เหมือนกับพุทโธนี่เป็นเหมือนน้าดับไฟเราต้องเตรียมน้ําไว้เวลาเกิดไฟไหม้ก็ได้เอาน้ําไปดับได้ถ้าไม่เตรียมน้ําไว้เวลาไฟไหม้ก็ไม่มีน้ําดับไปถ้าเราเตรียมพุทโธ ท, ท่องพุทโธไว้จนกระทั่งเราท่องได้ทุกเวลามีเหตุการณ์อะไรทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไป แต่านั่งสมาธิถ้ามีพุโทโธพุธโทโธมันก็จะเด้งใจให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องไปเห็นอะไรต่างๆไม่ต้องมีอะไรมาปรากฏให้เรารับรู้พอใจเข้าสู่สมาธิเรามันก็ว่างไม่มีอะไรเหมือนลอยอยู่ในอวากาศใจก็เย็นสบายมีความสุขไม่รักไม่ชงังไม่กลัวไม่หลงมีกําลังที่จะต่อสู้กับ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 เวลากิเลสมันจะให้เราไปทํานุ่นทํานี่เราพอปัญญาบอกว่าอย่าไปทํามันไม่ดีมันก็จะหยุดได้มันจะฝืนได้กิเลสจะมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปจะชวนไปซื้อกระเป๋าใหม่ใหม่ก็ไม่เอาอซื้อมาทําไมมีต้องหลายใบยแล้วถ้าถาใจมันมีความสงบแล้วมันจะมีเหตุมีผลมันจะไม่มีอารมณ์เวลาที่ใจไม่สงบนี้อารมณ์มันจะคุกคาม มันจะคอบงมจิตใจพออยากได้แล้วโอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้ต้องทำตามความอยากให้ได้มันถึงจะหายแต่ถ้าใจไม่มีอารมณ์แล้วความอยากจะคอบงาใจไม่ได้ใจสงบแล้วมันครอบงาใจไม่ได้ใจใช้ปัญญาใช้เหตุผลถ้าเอาอะไรต้องมีเหตุมีผลจริงๆจะใช้เงินก็ต้องใช้อย่างมีเหตุมีผลเอาไปเที่ยวไม่เอาเอาไปทําบุญเอาเลย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 แต่ถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวพออยากได้นู่นกบไปเลยอยากซื้อก็ซื้อเลย<ม>แล้วก็ไปติดติดกับพอซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยเ<ม>ที่ยวก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อย<ม>เป็นเหมือนยาเหมือนติดยาเสพติดไปเลย<ม>แล้วก็เลิกยากจะ<ม>เลิกได้ก็ต้องมานั่งสมาธิกันนีเวลาจะมานั่งมันไม่ยอมนั่งเสิมันจะไปไปเที่ยวจะไป ทำอะไรตามความอยากมันถึงยากถึงบอกว่าเวลานั่งสมาธิเหมือนเดินขึ้นเขา เ, ลเวลาไปเที่ยวนี่นเหมือนเดินลงเขาไปเที่ยวนี่พอเพื่อนโทรมาปั๊บไปเลยถ้ามาชวนไปนั่งสมาธิโอ้ย ม, มีปัญหาร้อยแปดตามมาแล้วไม่ว่างบ้า ง, า ง, น, น, างนู่นบ้างนี่บ้างนะเพราะว่ามันยากแล้วมันลำบากมันทุกเวลานั่งสมาธิกันยังไม่มีใครอยากจะนั่งกัน พอจะนั่งนี่อึดอัดขึ้นมาทันทีเลยปวดหัวขึ้นมามากของคนร้อยแปดปัญหาแต่ไปเที่ยวนี่ปัญหาหายหมดเลยกําลังป่วยกําลังเจ็บอยู่นี่พอได้ไปเที่ยวหายนี่และอํานาจของกิเลสมันเป็นอย่างเงี้ยมันครอบงำจิตใจมันจะดึงให้เราไปในทางกิเลสถ้าไปทางกิเลสนีง่ายไฟเขียวผ่านตลอดเลย ตายไปทางทํานี่โอ้ยมีแต่ไฟแดงทุกสีแยกเลยแต่เราต้องสู้เนี่ยพอไปทางทํานี่มันมันถึงแม้จะยากแต่บ้านปลายมันจะดีมันจะสบายไปทางแจ้งเจ้ามานั่งบางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มันจะสงบมันเป็นงมันเป็นอนุสัยเก่าๆมัน เ, เ, เป็นปวความโปรดความเป็นบาดนะคะแล้วกําลังพุทโธสู้ไม่ไหวนะีย ดูอยู่พักไม่ไหวนอนดีกว่าอายเพราะนอนถึงก็หายแล้วเราต้องหันท่องพูโทโธบ่อยๆก่อนจะมานั่งปกติก็บางวันมันส่วใหญ่จะไม่เป็นนะครับมันมีบางวันที่มันไม่เลยกระทบแล้วมันก็มันก็มีอยู่อยุ่อมก็ขึ้นมาไม่ไลยคิดนะคะอแล้วก็พูโทโธสู้สู้มันจะพักใหญ่ไม่ไหวไม่ไหวขอนอนก็นอนเช้าแลาก็หาะคะ่ะอันใช้ได้นะะี่ค่ะ สู้สู้ชนะมันดีกว่าถ้าชนะความอยากนอนได้มันก็หายเหมือนกันมันไหวแค่มันจะตั้อยากจะลุกจ้าเลยนอนดีกว่าใช่ได้แต่มันใช้แบบเยอะแบบแบบทุกข์นับสิบไงมันมันมันแก้ปัญหาแบบให้เขานอกเราพอนอกเราก็ไม่ต้องต่อยเขาแ้แต่ถ้าเรานอกเขาเราได้ชายชนะได้เงินรางวัลดีกว่างั้นเราต้องสู้ต่อไปเวลา เกิดความอยากจะทําอย่างอื่นก็พยายามพุโทโธยอมขาดใจไปกับพุโทโธดูถ้ามันมันยอมแพ้มเมื่อไหร่แล้วมันจะหายเลยใจจะโล่งใจจะเบาจะสบายเลยแล้วต่อไปปัญหาอย่างนี้จะหมดไปความง่วงนอนนี่จะไม่มีอีกต่อไปเวลานั่งสมาธิถ้าเอาชนะความง่วงนอนได้ด้วยสตินะมันจะหายเลยต่อไปมันจะไม่ง่วงเพราะมันจะง่วงเราก็ใช้พุโทโธเนี่ยดัดอัดเข้าไปอัดเข้าไป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 เอาแพ้มันไปนอนใหม่มันก็ไม่มีวันที่จะก้าวล่วงปัญหานี้ไปได้วิธี่จะก้าวล่วงต้องไม่ทําตามความอยากต้องฝืนความอยากมันอยากจะนอนก็ไม่นอนมันถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้พุโทโธพุโทโธอยากไปนอนเอาชนะความง่วงนอนให้ได้แล้วต่อไปมันจะไม่มีปัญหา ก็ไม่มีอะไรนะใครอยากจะกลับก็กลับได้ใครจะอยู่ต่อก็อยู่ได้เพราะจะมีคำถามทางบ้านเข้ามาถามต่อนะตามสบายน ะ, ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะให้ทางบ้านเข้ามาถามเข้ามาวันนี้เข้ามาชมกันกี่คนนะประมาณ360ค่ะประมาณ360อันนี้ตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแลนะ้วเนี่ย ถามแม่นกอของเนี่จริงจริงอือืมากนะเดี๋ยวถามนิดหตอนตอนที่เราเดินจงกลมนะค่ะก็จะเดินเดินพุธโทใช่ไหมฮะแต่จะจับขาขวาก็คือพุทธก็ได้เวลาเราเลี้ยวเกคือเดินมินนลานอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเรามีสติไปก็จะก้าวพุทธจะรู้ว่าพุทธโทตรงไหนครับเออกขาขวาก็เอ่าได้ได้ใช่ไหมอ่ พุธพุธไปกับเท้าก็ได้พุธโทรไปกับท้าก็ไดพุธโธรไปเรื่อยๆอยเงี้ยแล้วพอเราอยากจะรู้ว่าสติเรายังอยู่ไหมแล้วก็ดูซิว่าพุธเราจะอยู่ตรงไหนอ่าก็อยู่ขาขวาเท้าขาก็โอเคก็ไปคิดในใจนะฮะว่าโอโอเคก็ก็ได้ก็ใช้ขึนขอให้อยากคิดก็แล้วกันให้อยู่กับพุธโธรไปได้อยู่กับเท้าไปถามคาถามทางบ้าน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 เราก็จะคิดแต่เรื่องดีๆสำหรับเขาแต่ถ้าเราโกรธใครเกลียดใครนี่เราก็จะคิดร้ายกับเขาเฉะั้น mm. ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเพราะความเมตตาก็คือให้อภัยใครทาร้ายเราใครพูดไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกรดเคือง mm. หรือแค่คิดว่าเขาเขาพูดไม่ดีก็ยังดีกว่า เขายังไม่ตีเราแต่เขาตีเราก็ใครคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา mm hmm. เราก็จะไม่คิดร้ายกับเขา mm hmm. งั้นเราต้องมีความเมตตาต้องไม่คิดทำร้ายใครไม่ว่าเขาจะทำาลายเราเขาจะร้ายกับเราอย่างไรเราจะไม่ตอบโต้ mm hmm. เราจะยอมแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร mm hmm. พระจะไม่ตอบโต้ใครพระยอมแพ้ ใครจะด่าพระพระก็ไม่ตอบโต้ฉเฉยๆไปแล้วการที่เรามีความเมตตาก็จะทำให้ใจเราเย็นมีความสุขมเมื่อเรามีความสุขเราก็จะไม่คิดร้ายคนส่วนใหญ่ที่คิดร้ายกับคนอื่นก็เพราะใจมันทุกข์เวลาไม่ได้อะไรดังใจอยากก็โกรกก็จะทุกข์แล้วก็จะคิดร้ายกับคนที่ทำให้เรากโกรก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 ให้ความเมตตาต่อกันดีกว่าคนที่มีความเมตตาก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจะมีจะมีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะอยู่อย่างมีความสุขเตินก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็ไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครเกลียดเราไม่มีใครคิดร้ายกับเรา แล้วตายไปก็ไปสู่สุคติไม่ไปอบายยันพยายามมาหัดเจริญเมตตากันที่บทที่เราสวดเวลาสวด น, นี้เรายังไม่แผ่เมตตานะตอนที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราสวดบทสัปเพสัตตาเอเวลาโหนตุตอนนั้นยังไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการเป็นการศึกษาเป็นการสอนใจว่าอาเวลาแปลว่าไม่มีเวรกัน ปยาปัจ ช, ชาแปลว่าไม่เบียดเ บ, บียนกันอา น, นิคาแปลว่าให้เขามีให้เขาพ้นจากความทุกข์กันสุขีอตัตนงบาลิหารันตุแปลว่าให้เขามีความสุ ข, ขกันไม่ให้เขามีความทุกข์จากการกระทําของเราทําอะไรก็อย่าทําให้เขาทุกข์ทำอะไรก็ให้เขามีแต่ความสุขอันนี้เป็นการสอนเป็นเตือนจะการเตือนใจ เวลาจะแผลจริงๆต้องเวลาเจอมาเจอกันเวลาเจอกันก็ยิ้มให้กันไม่ใช่หน้าเบื้องใสกันหรือด่ากันเลยบางทีเจอกันก็เหมือนกับปล่อยหมาสองตัวให้กัดกันเลย <c oughs> เจอกันก็เอาเลยมุง้งอย่างงุ้นกูอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเวลาเจอกันต้องยิ้มให้กันถามสารทุกสิบเด็บ <c oughs> สบายดีหรือเปล่าจ้าเนะ้อ หรือถ้ามีขนมม า, มาฝากอ่ะมีของมาฝากกันออไปเที่ยวที่ที่อุดรมาซื้อของมาฝากกันไหอ้นี่แล้วก็แผ่เมตตาแต่เวลานั่งส่วนไม่ได้แผ่ไม่มีใครรับเนี่ยจะไม่แผ่ให้ใครนะอ่าอันนั้นเป็นเวลาเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่ซ้อมก่อนนึกถึงเวลาแผ่จะแผ่ยังไงเวลาเจอคนที่เราไม่ชอบยิ้มได้หรือเปล่าอลองยิ้มให้เขาดูหน่อยสิอ่า เน้อมีขนมมันก็ฝากเอามาให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเตรียมตัวเตรียมใจถ้ายิ้มให้เขาแล้วเขาเบื่งแล้วก็เฉยเฉยอย่ายไปโกรธเขาเอถ้าให้ขนมเขาแล้วเขาโยนทิ้งก็อย่ายไปถือสาเขาเออต้องทําใจต้องเตรียมตัวเตรียมใจซ้อมไห้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแผ่ไม่ออกพอยิ้มไม่หน่อยมันหน้าเบื่อมันด่าก็มันจะแผ่ไม่ออกเลยให้ขนมมันมันก็โยนทิ้งไ ป, ปงนะเี้ก็จะน่ะมีเคสนี่แหละ ตอนตอนนั้นไปที่ชุดขา้าวสารเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่วัดแล้วทีนี้อินะ้าจารศุดใจสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราเราต้องใช้ไฟด้วยน่ะก็ต้องตุนต้องอะไรใช่ไหมฮะก็ขอเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็โอเคอเขาบอกว่าหกโมงเช้าได้ไหมเราบอกไม่เป็นไรสายหน่อยก็ได้แล้วเราก็ออกไปใส่บาตรไปใส่บาตรแล้วก็แล้วก็มามาพระมหาป้าจารนะคะ พอวันที่จะเดินทางมาเนะ่ะเขาก็ให้คนหนึ่งมาบอกว่าไม่ได้แล้วเราก็งงอ่ะแต่ น, นี้นะี่ยไม่ได้ทําให้เรานะเขาจะถวายพระอาจารย์สุดใจอ่แต่ต่อว่าคำหนึ่งอยู่ว่าทําไมใจแคบจังก็กจบใช่ไหมคะอดูก็มาที่นี่ไหมะเมื่อวันที่ยี่สิบเลยอนะ่ยพอกลับไปอีกอาทิตย์หนึ่งวันที่สิบหกจังหวะเขาเขาหยอดตาเผิดนะแล้วกรดมันก็อยู่ข้างๆแต่เขาให้คนมาเรียกเราตีหนึ่ง บอกช่วยขับรถไปสง่งโรงพยาบาลเราก็ไปค่ะเ อ, อแต่เราพอพอเสร็จแล้วเราก็จบก็คือต่างคนต่างอยู่ก็ก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเ อ, อได้ไ<ป>ก็อุเบกขาไปเราก็อุเบกขานะถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันก็ใช้เมตตากันไปถ้าแยกกันอยู่ได้ก็ดีกว่าเพออยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนลิ้นกับฟันเดี๋ยวมันก็อาจจะ กัดกันได้ะครบกันได้อถ้าแผ่เมตตาไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาเช่นให้ขนมก็แล้วก็โยนทิ้งแล้วก็เฉยเฉยไปอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจแต่ถ้าเขาเดือดร้อนโทรมาเรียกขอให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เอาความกัลลูนาสงสารมันช่วยมันไปแต่เช้าวันนั้นซื้อขนมไปฝากเขากจะให้เขานะครัมเขาก็พูดอย่างนี้เราก็ต่อว่าเขาว่า ทำไมใจแคบเราพวกแค่เนี่ยทำไมใจแคบกันก็ไม่ให้เขากินเลยค่ะเอาเอาไม่ให้เขาื่มเลยค่ะแสดงว่าเราเราแผนไม่ตาไม่ออกคือตั้งใจว่าเออว่าต้องว่าคือเราอยู่บ้านที่แม่เขาอยู่วัดคือเขาว่าเขาจะกินเออเขาจะทำที่ดีเอาให้แต่เราถ้าเราไม่ตาจริงเราก็ให้เขาไปแสดงว่าเราไม่เมตตาเขาเมือแบบ ตรเมตาไม่ออกแถมไม่ออกทาเดียวหรือว่าทําไมใจแคบจังเนี้ยอันนั้นก็ไม่มีตาแล้วแหะไปลว่าเขาออแล้วก็แสดงว่ายังสอบตกอยู่ยังสอบตกแต่ก็แต่ก็เมตาเขาตรงที่ตีหนึ่งใช่ไหพาเขากไปโรงพยาบาลขับรถออกมาแล้วเราก็ไปนั่งขึ้โรงพยาบาลจนถึงกล้หน้าลองใหม่ตีสาต้องทําให้ผ่านให้ได้ใช่ไหม่าับเก มีคําถามไหมคำถามจากคุณหนูทิฏฐิมานะคนเราทําไมมันแก้ยากจังครับยิ่งแก่ยิ่งมากมันเป็นสันดาลไงมันมันฝังไปแล้วแต่ต้องไปบวชกันเวลาไปบวชมันเขาจะสอนให้ละทิฏฐิมานะเมื่อเราไปบวชนี่ไปเหมือนกับไปอยู่ท้ายแถวมนไปเป็นเป็นต้องไปรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปอะไรต่างๆ เพื่อเป็นลดมานะทิฏฐิทิฏฐิมานะการถือเนื้อถือตัวอันนี้องค์ตถาจ่าบอกว่าให้หัดทําตัวเป็นเหมือนปัตถพีเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบก็ได้ือใครจะเหยียบใครจะถุยน้ําลายใส่ใครจะปัดสะวะอุ จ, จะละลาดใส่แผ่นดินแผนน่นดินมันรับได้หมดมันไม่สะทกสะทานอัดทําใจแบบนั้นหัดทําใจเราเป็นเหมือนแผ่นดินให้เขาเหยียบเขายา่า ใครจะดูถูกดูแรงใครจะอะไรก็ปล่อยก็ทำไปทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินให้เฉยให้มีอุเบกขาถ้าทำได้แล้วตัวกิเลสตอนนี้มันหายไปหมดสังเกตดูภาพปฏิบัตินี้ทุกรุวมนี้พอบวชปั๊บนี้ต้องรู้จักกราบไหว้กันใช่กราบไหว้กราบทำภารกิจการงานต่างๆล้างล้างกระโทนล้างส้วมล้างอสักเยอะ ทักจีวงจีวอให้ครูบาอาจารย์อปฏิบัติครูบาอาจารย์ต่างๆนี่เป็นการสึกลดมานะทิติการถือเนื้อถือตัวแล้วมันก็จะทําให้อยู่อย่างสบายเวลาถือเนื้อถือตัวนีตอองงน่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเครียดจะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าทําเป็นแผ่นดินยังไงก็ได้เราถือว่าเราเป็นคนใช้แล้วเขาจะให้เราใช้เขาจะใช้เราอย่างไรจะพูดยังไงใครเขาด่างไงเราก็ เจ้าคายคาเดียวครับุมเดียวออออแล้ว อ, อ, อ, อ, อยู่ไดออ้มาอยู่กับหลวงตาก็ทําแบบแผ่นดินเนี่ยหลวงตาชอบทดลองมาหน้าที่ติเนี่ยบาที่ก็ ด, าด่าโดยไม่มีเหตุมีผลขึ้นมาเนี่ยอ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อก็คับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเฉยอย่างเดียวพอาจารย์ขอถามนิดหนึ่งตอนช่วงพระอาจารย์ไปบวชบวชช่วงนั้นที่อยู่กับวัดอยู่กับหลวงตาแปดปีนะ่ะอาจารย์นึกอยากจะสึกเลยไหมครับ ไม่เคยถ้าเสรกก็เส็กไปนานแล้วเนี่ใช่ไหมฮะก็คือใจมุ่งมัน่นว่าจะ บ, บวดอ่ามันไม่เคยคิดเลยตั้งแต่ปวดมานี่ยงไม่เคยคิดเลาจะเสกเลยมันไม่มีเวลาคิดอ่ะมันพูดโทรต ล, ะละอดเวลาสาธุสาธุมันมีสติควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาใจมันสงบอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยคิดมันมีความสุขมันจะไปสึกท้าเลยสึกไปแล้วทุกอ่ะเสึกไปต้องทํามาหากิน นี่บวชแล้วไม่ต้องทาหากินข้าวก็ฟรีบ้านก็ฟรีจะไปจะไปเสกหาอะไรเราเแล้วลลอย่างนิพพานนี่อยู่แค่เอื้อมแค่ เ, <c oughs> เ อ, อ, อเื้อมคือความแค่ิพานก็อยู่ในใจนี่แหละหยุดกิเลสได้หยุดความโล้กดหลงได้ก็ถึงนิพพานแล้วไม่ยากตรงไหนเลยฆ่าสามตัวนี้ได้ฆ่าความรู้ความโกรธความหลงได้ก็ถึงนิพพาน มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันอยู่มันรอที่จะโผล่ให้เราอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ยอมให้มันโผล่เราชอบกิเลสมันมาปิดมันไว้เนี่ยกิเลสมันตัวปิดนิพพานไว้รู้ปะ่ะความโลภความโกรธความหนงเนี่ยมันทําให้เราไม่ไม่ได้นิพพานกันพอเราทําลายความโลภโกรธหนุงได้นิพพานก็โผล่ขึ้นมาแล้วอยู่ในใจ <c oughs> ไม่ไ ด, <c oughs> ไได้ไม่ได้ไปไปไปจุด ไปจำสู้กันไปเรื่อยทำไปเรื่อยอาจารย์น้าลูกอันนอันนี้ฟังฟังที่เต๋อวงตาเนาะหล ว, วงตาบอก ว, ว, ว, ว, งวงันที่สิบห้าพฤษภาสองสี่เก้าสามได้ไหมฟ้าดินถล่มเนีะ ย, ยกคือคือหนูก็มาปากเป็นเป็นลูกศิษย์้าอาจารย์ก็อยากทราบว่าฟ้าดินทล่ทมเมืเอ่อไหร่ นะคะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมไม่ถึงเวลาบอกแต่การํานี่แหละตอนตอนนั้นพ่อบ้านทํำทาที่นั่งให้หลวงตาที่ที่เหมือนไฮโดรลิยกขึ้นนะครับคือท่านปวดเส้นอะไรใช่ไหมเราก็เห็นแต่ละคนเด็กต้อชราอุ้มทีท่านก็เจ็บเลยน่ะพักพักตันโหนก็เลยบอกแล้วบอกว่าเวลา กรี่ได้เหลวงตาก็กราบได้ทําไมไม่ขอตรงนี้เี่ยก็เลยตัดสินใจขอบอกบอกหลวงตาเจ้าค่ะ ข, ขอตรงนี้หลวงตาผู้เค่นี้หลวงตาก็บอกรู้ว่าลูกสิษยองใหญ่แต่ยังไม่ถึงเวลาอื <ừ> แต่พอช่วงปีสองสี่ห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะคะ <ừ> ช่วงเมษาปีนี้หนูไปเชียงหม่ไปสิงคโปร์น ะ, ะ ไ, ปไปบ้านยุน่นแล้วหลวงตามาล้มไงอ็เลยตัดสินใจไม่รู้ว่ะใคร ผู้กำกับจะชนเราเลยก็ช่างเราไม่สนแล้วเราขอรักษาทัดขันหลัการนะเพพราเวลาลมเอ็นอะไรมันจะปวดเล็กแต่สินใจนนและหลักกาของนั้นแหะยังไม่ถึงเวลาพะวันนั้นก็ถึงเวลาวลักการก็เห็นแล้วก็ดูแลดูแลหม้อบแบตเตอรี่ตลอดเวลาสองปีนะฮะชาร์จตลอดเพราะท่านพอเราไปวัดปุ๊บก็จะชาร์จแบตเตอรี่พอบ้านจะชาร์จชาร์จเอาไว้เลย เราลงตาเทสเลยเสร็จลงตาตับกดแล้วก็ปิดพิดเขาก็จะทําอย่างนี้ทุกวันเพราะว่าที่วัดแม่ตาใช้ไฟบ้านเอ้ยไมปั่นแล้วฮะก็จะใช้อยู่อย่างนี้น่ะทดลองตลอดเวลาอย่างนี้นะก็ก็ได้ใช้ช่วงหลังท่านเดี๋ยวก็มาเสียงไม่เสียงเวลาที่เราจะคอูดไว้เราไปปฏิบัติให้นายก่อนแล้วเราจะบอกค่ะค่ะนี่ก็ตั้งใจให้ฟ้าดินถลมทลายของเราไปก่อนแล้วมาบอกเรา ขอให้หนูขอให้นูคนถ้าหนูถ้าหนูถล่มทลายเมื่อไหร่เราจะาบอกกันไม่รู้มันจะยากไหมยากไม่ยากก็ลองทำดูเลยบอกไปตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบอกมันไม่เกิดประโยชน์ เนต่าให้มีความเพียรนะอให้พยายามเพียรพยายามปฏิบัติดีกว่าอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นเลคนอื่นมีคําถามอีกไหมคําถามต่อไปนะคะคนเราเมื่อเจอกับความทุกข์บรมทุกข์เราจะทําใจได้อย่างไรรู้ก็เข้าใจว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เกิดและทุกข์ มีแต่ทุกข์เกิดและทุกข์ดับแต่เมื่อเจอกับตั ว, ตวแล้วมันไม่สามารถทำใจได้สิ่งที่รู้สึกก็มีแต่ความเสียใจทำใจไม่ได้ขอพะอาจารย์เมตตาชี้ทางค่ะก็ต้องมาหัดทำใจเลยเมื่อตอนนี้ทำใจไม่ได้เราก็เรามาหัดทำใจเพื่อคราวหน้าเวลาทุกข์เราจะได้ไม่ทุกข์ได้คราวนี้มันสายไปแล้วเพราะเราเราไม่ได้หัดทำใจไว้ก่อน พิธีหัดทําใจก็คือมาจะมาหัดสร้างพุโทโธกันมาสร้างพุโทโธกันมาพุโทโธพุธโทโธไปแล้วต่อไปเวลามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราทุกข์ใจเราพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวเดียวมันก็หายทุกข์ตอนนี้เราไม่มีพุโทโธกันตอนนี้ก็ยังไม่สายถ้าอยากจะแก้ความทุกข์ใจอันนี้ถ้าพุโทโธได้เดี๋ยววันสองวันก็หายทุกข์แล้วดีไม่ดีไม่ต้องวันสองวัน่ะห้านาทีสิบนาทีมันก็หายได้ พุโทโธมันต่อเนื่องมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ไปคิดถึงอะไรนี้เดี๋ยวความทุกข์ต่างๆมันหายไปเองเพราะความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราสร้างขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อะไรทุกข์กับมันเนี่ยพอเราหยุดคิดถึงมันปับมันก็หายทุกข์ถ้าอยากจะหายทุกข์เร็วก็หัดท่องพุโทโธตั้งแต่เนี่ยนี้แล้วเนี่ยพอฟังเสร็จก็พุทพุโทโธไปเลยลองพุโทโธสักสิบนาทีดูอย่าไปคิดอะไรแนละ้วมันจะเบาขึ้นเลย รับรองได้ค่ะคำถามต่อไปค่ะเพราะเราทํางานผิดพลาดเลยทําให้แม่ต้องประสบอุบัติเหตุรู้สึกเสียใจมากทุกมากรู้สึกแบกความผิดนี้ไว้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกอลูกจะแก้ใจอย่างไรรักษาใจอย่างไรคะก็เหมือนกันแหละมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ผ่านไปแล้วจะไปแก้มันก็ไม่ได้แล้วก็ ก็ใช้ใช้เหตุการณ์นี้มาสอนใจว่าต่อไปทําอะไรให้ระมัดระวังให้รอบคอบเพื่อจะได้ไม่เกิดการเสียหายส่วนความทุกข์ใจตอนนี้ก็ให้พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเหลยวมันก็หายทุกข์แล้วก็เอาเหตุการณ์นี้มาสอนใจเตือนใจว่าต่อไปเราทําอะไรต้องระมัดระวังต้องรอบคอบแล้มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องมาเสียใจอีก คำถามจาก Facebook Live นะคะจากคุณหนิงถ้าหากเข้าสมาธิแล้วกายเบาใจเบามีความสุขมีสติที่พุโทโธตลอดเวลาแบบนี้เรียกเข้าชานหรือไม่เพราะเคยได้ปิติแล้วมีสำนักหนึ่งบอกว่าไม่ให้เข้าฌานนา น, านเพราะทำให้สูญเสียพลังศิตไปมากแบบนี้หนูควรมีสติที่พุโทโธพุโทโธไปตลอดใช่ไหมคะเพราะหนูไม่อยากเสียพลังจิตหรือว่าฌานก็จาเป็นเหมือนกัน หลังๆนั่งสมาธิมีแต่ความสุขใจเบาใจความเครียดลดลงหนูชอบค่ะการเข้าชาเนเป็นการสร้างพลังจิตไม่ใช่เป็นการเสียพลังจิตคนพูดไปพูดแบบไม่รู้เรื่องยิ่งอยู่ในฌานได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งมีพลังจิตมากขึ้นไปเทนั้นดังนั้ น, น, นพยายามพูดโทรถ้ายังพูดโธได้ก็พูดโธไปมันจะหยุดพูดโธเองถ้ามันตกลงตกบ่อมันรูปลงไปแล้วมันจะนิ่งแล้วมันสงบแล้วมี มีความมหัศจรรย์ใจเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ต้องพุทธโทแล้วตอนนั้นมันจะมีความสุดมากแต่ตอนนั้นก็หยุดพุดโทโธใช้สติที่เราได้จากพุโทโธนี้คอยประคับประคองอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งอะไรให้มันอยู่กับความสงบนั้นไปนานๆยิ่งสงบได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเนีพราะมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานให้กับใจใจได้ชักพอเนี่ย ใจเรานี่ใช้พลังงานตลอดเวลาคิดเรื่อยเปื่ยเนี่ยเหมือนกับเราใช้มือถือเงี้ยเวลาเราโทนี่เราก็ใช้แบตไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราปิดเครื่องนี่แบตมันก็ไม่สูญแล้วถ้าเราไปชาร์จแบตเราก็จะได้พลังงานกลับคืนมาเวลานั่งสมาธิเข้าชานี่เป็นการชาร์จพลังงานให้กับใจของเราเวลาคิดนี่มันจะมันจะดูดพลังงานออกไปเราจึงต้องหยุดคิดเงัง พอหยุดิดล้วมันก็จะชาต์พลังงานกลับขึ้นมาใหม่เงี้ยให้มันสงบได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีอย่าให้มันออกมาะถึงแม้จะมีธุระจะไปไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเอาพลังงานนี่ดีกว่ามีความสําคัญกว่าอยู่นั่งต่อไปจนกว่ามันกิเลสมันมีกําลังมากกว่ามันดันออกมาเราสู้มันไม่ไหวก็ก็ค่อยออกมาออกมาก็มาสร้างสติต่อพุทโธพุทโธต่อ